เอาฟังดูฟังดูใจของเราเอาเข้าที่นั่งภาวนาเอาให้พร้อมแล้วนะก้าวไปแล้วบอกยังเหรอโอ้ยก้าวไปคนเดียวหเหรอนอนั่งเข้าที่ก่อนนั่งเข้าที่ก่อนภาวนาภาวนาอาบุญก่อนเอานั่งเข้าที่ภาวนานะ นั่งเข้าที่ภาวนาเมื่อกี้เราก็ฟังเทศลงตาเราฟังเทศลงตาต่อไปนี้จะให้ทุกคนฟังใจตัวเองฟังยังไงคือฟังใจฟังความคิดเห็นของใจของตัวเองอะมันคิดส่งไปหน้าหรือมันคิดส่งมาหลังหรือมันอยู่กับพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธ งานที่เราให้เขาทำประจําก็คือให้เขาอยู่กับพุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทโธด้วยกํากับด้วยลมหายใจเข้าหายใจออกด้วยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทรหรือไม่อยู่กับพุทธโธก็อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันก็เป็นอาณาปานสตินะอันนี้เป็นหลักเราเอาลมเป็นอารมณ์เราจับลม เอาผู้รู้ของเราในจับลมลมเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ของผู้รู้ผู้รู้คือใจใจคือผู้รู้กําหนดจับไปที่ลมหายใจเข้าให้เต็มไม่ใช่หายสั้นๆหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆแต่อย่าถึงก็ต้องบังคับมันปล่อยให้มันหายใจให้สุดหายใจเข้าให้มันสุดหายใจออกให้มันสุด ถ้าเราต้องการจะปรับสภาพปอดของเราในระยะเริ่มต้นเราก็หายใจเข้าลุกๆหายใจออกหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆหายใจออกยาวๆหายใจออกยาวๆหายใจออกยาวๆหายใจออกยาวๆสักสีรอบห้ารอบเสร็จแล้วเราก็ค่อยดูดูมันหายใจตามลำพัน์ของมันหายใจเข้าเราก็ว่าพูดหายใจออกเราก็ว่าโท เพาคำว่าพุโทโธกํากับกับลมหายใจเข้าออกอันนี้เป็นสัจธรรมที่กําลังปรากฏเฉพาะหน้าเราถ้าเราเรียกอีกอย่างหนึ่งอันนี้แหละคือธรรมที่ท่านเรียกว่าฟังธรรมฟังธรรมก็คือดูธรรมฟังธรรมก็คือดูธรรมนี่แหละดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกเราทําอยู่อย่างต่อเนื่องจิตของเราไม่ไปไหน ไม่สายไปหน้าไม่สายมาหลังไม่คิดส่งไปหน้าไม่คิดส่งมาหลังไม่คิดวิตกกังวลเรื่องการเรื่องงานเรื่องธุระปะปังอยู่กับอารมณ์อย่างเดียวอ่า ม, มันก็เหมือนกับเราไ u i เปลจิตก็จะเริ่มเบาสบายสงบมีความสุขเราก็จับอยู่อย่างนี้แหละกำกับอยู่อย่างนี้จับอยู่อย่างนี้กำกับอยู่อย่างนี้นี่คือภาวนาฟังใจมัน เหมือนกับเราตั้งท่าคอยดูจิตของเราเองกันแหละพอมันยับออกไปไหนเราก็ทันมันแล้วก็ดึงกลับมายับออกไปนึกดึงมาอยู่ให้อยู่กับพุถโยยับเข้าไปแล้วก็ดึงกลับมาอยู่กับปุถอืมทีแรกเราก็ไม่จะไม่ค่อยจะทันมันดอกไอ้ที่มันยับไปเนี่ยมันเร็วความเร็วของจิตแรกเราก็ไม่ค่อยจะทันมันดอกไม่ค่อยจะทันมันดอกแต่ด้วยเหตุที่เราตั้งใจระมัดระวัง บ่อยครั้งเข้าบ่อยครั้งเข้ามันก็จะเริ่มทันเริ่มทันก็คือเริ่มจับกิริยาอาการของจิตที่มันคอยเล็ดลอดออกไปได้นี่คือภาวนาทําซ้ําๆทําซ้ําๆทําซ้ําๆกําหนดซ้ําๆระลึกรู้ซ้ําๆจับซ้ําๆรู้สึกซ้ําๆที่เรียกว่าภาวนาภาวนาหรือท่านใช้คําว่าบริกรรมบริกรรมเลว่า ดํ um าริซ้ําๆำเช่นอย่างพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธต่าเรียกว่าบริกรรมบริกรรมมะภาวนาท่เรียกว่าบริกรรมบริกรรมแปลว่าทําซ้ําๆทําซ้ําๆเราทําทําไมเราทําซ้ําๆำนี่ยที่เราทำซ้ำซ้ำเนี่เราทําเพื่อเป็นการฝึกสติของเราเองอเราดูสติของเราเองสติเกิดจากใจสติเกิดที่ใจ สติเกิดขึ้นจากใจเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นพร้อมกับใจตั้งอยู่พร้อมกับใจดับไปพร้อมกับใจสติเกิดขึ้นพร้อมกับจับอารมณ์จับอารมณ์นุ้นจึ๊บขึ้นมากำหนดสติให้เกิดขึ้นเสร็จแล้วครประคองให้สม่ำเสมออยู่อย่างนั้นหละไม่ให้มันไม่ไม่ให้มันหดหายไป คือความรู้สึกสติคือความระลึกได้ความระลึกได้คือความรู้สึกนั่นแหละรู้สึกผู้รู้สึกก็คือจิตรู้สึกต่ออารมณ์ที่อยู่เฉพาะหน้าที่เรากําลังบริกรรมอยู่พุทโธพุทโธทําอยู่อย่างเงี้ยทำอยู่ทําซ้ําๆมันไม่อยู่ไปก็ดึงกลับมามันไปก็ดึงกลับมาไปก็ดึงกลับมามันก็จะ ค, อค่อยๆอ่อนแรงอ่อนแรงก็คือมันเริ่มสงบ มันเริ่มสงบมันจะไม่ค่อยไปแหละมันจะเริ่มอิ่มถ้าเราจับมาที่ลมถ้าเราจับมาที่ลมมันได้ความอิ่มเอิบเร็วมันได้ปีติเร็วมันได้ความสงบเร็วเพราะลมเข้าลมออกอย่าลืมว่าจิตจะอยู่จิตจะสงบได้มันจะต้องอาศัยกิริยากายประกอบกับกิกริยาใจ ถ้าร่างกายเราเร่าร้อนเนี่ยถ้าร่างกายเราเร่าร้อนร่างกายเจ็บใอยได้ปวยกระวนกระวายอย่างนี้จิตจะสงบไม่ได้จิตสงบไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันมีอารมณ์เจ็บปวดมันรุนแรงมันไปอยู่กับเจ็บกับปวดถ้าเป็นภาวะแบบนั้นนะถ้านให้เปลี่ยนมาอยู่กับเจ็บกับปวดหรือเรานั่งภาวนาไม่สบายเนี่ยนั่งไปแล้วมันอาจจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เนี่ย จิตใจของเราไม่อยู่เพราะความปวดมันอุ่นแรงเนี่ยเช่นอย่างหายใจเข้ามันขัดหายใจออกมันขัดหายใจเข้ามันขัดหายใจออกมันขั ด, ห, ออขดหรือมากับมาการร้อนท้องเงี้ยอ่าหรือมากับโรค อ, อย่างได้อย่างหนึ่งกำเริบเนี่ยกำเริบจิตไม่อยู่ท่านให้จับกับเวทนานั่นนหะนอกจากจับพุโทโธพุโทโธพุทโธแล้วสมมตเิเวทนามันกล้าท่านให้ไปจับเวทนา ให้สติมันอยู่กับเวทนาให้ผู้รู้มันอยู่กับเวทนาอันนี้คือการตั้งใจทําให้จิตได้รับความสงบ น, นี่คือภาวนาทําอยู่อย่างนี้แหละทําซ้ําๆเหมือนกับเราทําแบบฝึกหัดนั่นแหละทำซ้ำๆท ำ, บบทำซ้ำ ๆ, ท ำ, ำๆทำจนได้ทําจนมีทําจนสงบไม่สงบ ก, ก็คือไม่สงบทําจนสงบมัดให้มันอยู่จนสงบตั้งใจจับให้มันอยู่ให้มันสงบ ใครทำได้จิตของคนนั้นก็ได้รับความสงบจิตที่สงบนั้นแหะคือจิตที่จิตที่มีพลังจิตที่มีบุญจิตที่มีความสุขจิตที่เป็นสิริจิตที่เป็นมงคลนั่นเป็นการฝึกจิตของเราได้เราสติมากํากับที่จิตทําให้จิตไม่ดีดไม่ดิ้นไม่ดื้อเนื่องจากมันอยู่กับสติกับสัมปชัญญะที่เรากํากับมันทําซ้ําๆอยู่อย่างนี้แหละนะ ทำซ้จนมันจะอิ่มมันจะเกิดอารมณ์ละเอียดลึกเข้าไปเป็นปีติเป็นความสุขจิตก็ตื่นจิตก็รูจิตก็สว่างอยู่จิตก็สงบสงบจนไม่ดำเนินคำบริกรรมแต่มันก็ไม่ไปไหนนะเราดำเนิก ร, รมบริกรรมบริกรรมเพื่อเป็นเครื่องเทียบว่าจิตเราอยู่หรื อ, อยังหรือไม่อยู่ พอไม่อยู่ก็คือมันไม่อยู่กับพุทโธล่ะมันนึกคิดไปอย่างอื่นแล้ะนี่คือจิตไม่อยู่ละไม่อยู่กับเนื้อกับตัวละอืมไม่มีสติสติตามไม่ทันสติจับไม่ทันอืเราจํำง่ายๆพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจเข้าโทหายใจทาอย่างนี้แหละจับอย่างนี้สังเกตสังกาอยู่อย่างนี้แหละสังเกตสังกาสอบส่องอยู่แค่นี้แหละพระประคองอยู่แค่นี้แหละ มันทํำท่าจะหลุดไปก็ดึงเข้ามาทํำท่าจะหลุดไปก็ดึงเข้ามาคําว่าดึงเข้ามาก็คือใช้ผู้รู้นี่แหละเพิ่มความรู้ดั่งติขึ้นมาดึงขึ้นมาเหมือนก็ดึงขึ้นมามันจางไปแล้วก็ทําความรู้สึกดึงขึ้นมาจางไปแล้วก็ทำความรู้สึกดึงขึ้นมาเราก็ทําอยู่อย่างนี้แหละจนกว่ามันจะมีผลอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราเป็นเรื่องปลีกย่อยไป ตามจริตนิส <su> ัยของใครของเราไปบางคนก็สงบได้ง่ายบางคนก็สงบได้ยากบางคนไม่สงบขยเยอรกันดึงกันไปดึงกันมาดึงกันไปดึงกันมาอยู่นั่นแหละเป็นงานที่เราต้องต่อสู้เป็นงานที่เราต้องทํำกรรมฐานกรรมฐานกรรมฐานกรรมฐานที่ตั้งแห่งการงานหลวงตาท่านแปลว่าที่ตั้งแห่งการงาน กรรมฐานงานเป็นที่ตั้งแห่งการงานฐานที่ตั้งแห่งการงานก็คือเอาสติกํากับตั้งมาที่กายลมหายใจเข้าลมหายใจออกกําหนดดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกนําริพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธระลึกรู้ครั้งหนึ่งกระลึกระลึกรู้พุทโธพุท โพูดโทรระลึกรู้ทุกขณะนี่แหละทําจิตให้อยู่ทําไปจนมันจะอิ่มเพราอิ่มแล้วถึงเราไม่บริกรรมมันก็ไม่ไปไหนอืจนกว่าจะมีกําลังจะมีพลังเราก็ค่อยๆหัดพิจารณาสอดส่องดูอารมณ์ที่มันชักอยู่นี่แหละสอดส่องดูความเจ็บความปวดย้อนดูถามดูอะไรเจ็บอะไรปวดอะไรทุกอจิตทุก หรือว่ากายทุกข์หรือว่าเวทนาทุกข์หรือว่าเราทุกข์ไล่ไปดูที่เราคืออะไรอยู่ตรงไหนนี่คือการหัดพิจารณาแยกแยะแต่เบื้องต้นเราทําให้จิตได้รับความสงบอยู่กับอารมณ์เดียวซะก่อนทาไปนับตั้งแต่เราเริ่มนั่งจนเราจนเราออกจากที่นั่งถ้าหากเราสงบอยู่ในขั้นดําบริตอยู่อย่างนั้นเราก็อยู่อย่างนั้นแหละ อ, อ่าไม่จำเป็นจะต้องดึงมาพิจารณา ให้เขาสงบให้เต็มที่ไม่จําเป็นจะต้องดึงมาพิจารณาแต่การนั่งนันนานั้มันมันเป็นบททดสอบทีท่จะทําให้เราเนี่ยมัดจิตได้เป็นอย่างดีเราทําอย่างนี้เราอยู่อย่างนี้ก็เหมือนเราดูทำหรื อ, อกเเาา็เหมือนกับเราฟังทำถ้าเรามาใส่หูเหมือนกับว่าเราฟังทำถ้าเรามาใส่ตาก็เหมือนกับเราดูทำพิจารณาทำ เราเอามาจดจ่อที่จมูกที่ลิ้นที่กายก็เหมือนกับเรามาจดจอรร่อทมให้เกิดความรู้สึกรออยู่อย่างนี้จิตของเราจะมีกำลังจิตของเราจะมีพลังเอานั่งไปภาวนาไปนั่งภาวนาไปยาวๆลองดูได้ไปพอสมควรสักสองทุ่มได้ไหม Nào, ทุ่มเครื่องก็แล้วกันเดี๋ยวทุ่มเครื่องพาสวดมนต์ตอนนี้นั่งเงียบฟังดูดูใจของเรา